ให้พวกเด็กๆที่มาเยี่ยมฟังครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทะเลสาบนเทือกเขาแห่งหนึ่งมีเต่าพูดมากตัวหนึ่งอาศัยอยู่เมื่อใดก็ตามที่มันเจอสัตว์ตัวอื่นที่อาศัยร่วมน้ำเดียวกันมันจะพูดพูดพูดพูดพูดพู ด, พดโดยไม่มีเวนวัร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 เจ้าเต่าพูดมาชื่นชมพอใจกับการได้เป็นเพื่อนกับหง ม, มากมันจะพูดกับหงใจดีคู่นั้นจนกระทั่งดวงดาวหมดประกายแสงระบระยับแล้วลับฟ้าไปหงใจดีอดทนฟังมันพูดเสมอ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 บางทีเวลาหิมะปกคลุมเนินเขาและน้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งฉันหนาวและก็เหงามากพวกเต่าเรานะ่บินไม่ได้และถ้าจะต้องเดินแค่เดินไปได้นิดเดียวก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินกลับแล้วเพราะพวกเต่าเรานะ่ะเดินช้า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 กล่าวอย่างตื่นเต้นแม้ว่ามันจะยังไม่รู้ได้ดซ้ำว่ามันต้องสัญญาอะไรพวกเต่าเราณนะรักษาสัญญาของเราเสมอความจริงฉันจำได้ว่าฉันสัญญากับกระต่ายว่าจะพยายามปิดปากเงียบเมื่อส่องสัมัก่อนหลังจากที่ฉันได้อธิบายให้พวกเขาฟังถึงกระดองเต่าชนิดต่างๆและจุ ด, จ ด, จด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 ก <ST AN CE> ว่ามันจะพูดจบอีกหนึ่งชั่วโมงก็ได้ผ่านไปแล้วผมบอกให้เจ้าเต่าพูดมากข้าบตรงกลางของไม้ด้านยาวแล้วก็ชับให้มันปิดปากนิน่งแล้วหงตัวหนึ่งก็ข้าบปลายไม้ด้านหนึ่งไว้ในจางอยปาก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 หงเลยต้องหาท่อนไม้ที่มีน้ำหนักเบาลงแล้วหงทั้งคู่ก็คาบปลายแต่ละด้านโดยให้เจ้าเต่าคาบอยู่ตรงกลางหงทั้งสองกระพือปีกอย่างสุดแรงยิ่งกว่าหงตัวไหนๆจะเคยกระพือมาก่อนและทะยานขึ้นฟ้าโดยคาบไม้ไว้และมีเจ้าเต่าติดไปกับไม้นั้นด้วย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 เขาตะโกนบอกเพื่อนๆว่าเฮ้เ hey, ฮ hey ้ดูไอ้เต่าโง่นั่นสิมันบินได้เจ้าเต่าไม่สามารถจะห้ามตัวเองได้เธอเรียกใครว่างั้นะโง่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 ที่ฐานชาดกเรื่องที่215